หยุดแฟเป็นนายตั้งแต่ยังสาตวตบดึกนอนนาวเปลี่ยวใจจริงแฮคิดหาแฟนใหม่สักคนสงสัยไม่พ้นอะคืนนี้เลยแหละชัยโยชัยโยชัยโยกินเหล้าขวดโตแล้วหาแฟนใหม่แฟนเก่าเขาทิ้งเราไปอ่ะชมัวนางสา เคยมีแต่ตอนนี้เลิกกันละแฟนเคยมีแต่ตอนนี้เขาเลิกไปละหนีไปก็ซสาให้โซนักรถคันโตเลยแหละเลยแหละอยู่ๆก็กกกกลอยนวลนลอยฉันรำกสวนน้ำตาหยดแปะเป็นไม้ตั้งแต่ยักสาวก็ตกึกนอนหนาวเปลี่ยวใจจิง แล้วหาแฟนใหม่แฟนเก่าเขาทิ้งเราไปย่าหมวหนัง